ร้องนานทีเดียวหลวงพ่อเอ้ฝนจะตกหรือเปล่านะลูกหลานเอมวะันเมื่อคืนนี่ก็ตอนหัวค่ำก็ตกแล้วก็พักพักยกประมาณสามสี่ห้าหกทุม่กก 1, 2, มเนี่ยพักยกพอตีหนึ่งตีสองลงมาเองตกตลอดมาเลยเนี่ยแต่ว่าฝนปีนี้ฝนไม่ดีนะลูกหลานนะ ไม่เป็นน้ําเป็นเนื้อลินพรำๆอย่างนี้แหะมันไม่เทลงมาเหมือนปีนก่อนๆปีก่อนๆเวลามันตกเทลงมาจนลำรางของเราเนี่เออเออเออที่ครึ่งฝั่งไม่รู้ ก, กี่ครั้งแล้วหน้าผลแต่ละปีแต่ปีนี้น้ํายังไม่ขึ้นเลยน้ํายังไม่ขึ้นไม่ขึ้นถึงครึ่งฝั่งเลยไม่ว่าเต็มหรือ่ะครึ่งฝั่งก็ยังไม่มีมีแต่ตกขึ้นมา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 วันเดือนเดับวันเดือนเก้าดับระหว่างทำบุญข้าวประดับดินเป็นการทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงผู้ที่ล่วงลับไปคือบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายทางอีสานเหนือระหว่างทาบุญข้าวประดับดินต่อไปเดือน10เพนตาบุญฉลากกระพัดทําบุญอุทิศสวนกุศลอีกระหว่างเป็นการทําฉลากถวายพระสงฆ์แต่ทางภาคเหนือ เขาก็มีบุญอีกเหมือนกันนะอ่าก็เรียกว่าปลอยหลวงบ้านทางภาคใต้<ะ>เทะจาดบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะสรุปแล้วก็คือหาวิธีการทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนผู้มีอุปกระคุณพวกเราเกิดมาจากไหนใคร เ, เป็นต้นตระกูลของเราใครให้ความ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 ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คืออะไรหาดูซิคนหาดูซินี่แหละคืออะไรคือสาระของชีวิตความสุขที่แท้จริงอันไหนก็มันมีแต่อันนิจจังทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นเราเป็นอันิจจังทั้งหมดเต่พมีอันไหนเป็นอันิจจังสิ่งไหนเม็เป็นอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนหนเป็นทก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 ตัวสํานึกตัวปัญญาตัวกลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลคือปัญญาในหลักของพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่องของใจเรื่องของปัญญาเรื่องของแนวความคิดรเรื่องตัวตัวรู้รู้ตัวรู้รู้หรือตัววิญญาณติดตัวรู้รู้ตัวนี้หลักของพุทธศาสนาให้ความสําคัญอย่างมาก ท่านยางยกเป็นประเด็นหลักนะํมนโนปุพังมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะมองดูกายมองดูใจความสุขของใจคืออะไรความสุขของกายคืออะไรความสุขของกายคือมีมีปัจจัยสี่ข้าวน้าโภชนาอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งห่อันนี้คือความสุขของกาย มีบริบูรณ์แต่หลักท้องพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าถึงเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เลี้ยงเทออาหารดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนผ้าหนุ่งห่มสวยงามหรูหราขนาดไหนที่อยู่ที่พึ่งพาอาศัยตึกรานบ้านช่องที่พักพาอาศัยสวยหรูขนาดไหนให้ร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมออยู่ไปอยู่ไปนานไปนานไป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 ถึงจะสร้างบ้านหรูหราโออาใ ห, ขาห้ขนาดไหนก็เถอะนะร่างกายนะี่อีกสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวจะเห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นผมขาวออกมาหนังเหี่ยวตาฟ้าฟ า, ฟาหงหงตึงเหมือนกับเราเห็นคนแก่ผลที่สุดขยับเขยืขย่อนไม่ได้อายุกแก่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทนทุกทรมานเราอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากเป็นแต่จะได้เป็นไหมถ้าไม่ตายง่ายก็จะเป็นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่น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 อันนั้นเป็นอะไรชัน น, นะอันนั้นคืออะไรชันนนะอันนั้นคือคนแก่พระเจ้าข่านเฮเราก็จะแก่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเป็นยังไงคนแกน่ถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนั้นพระเจ้าข่านโอ้นากลัววะจะหาความสุขได้ที่ไหนแก่อย่างนั้นนะฮะสะลดจังเวทใจอย่างลึกเลยสินท่านไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนพอเกิดมาก็อยู่ในรั้วในวัง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 รู้แต่นายชนะกับม้าขันตะกะเท่านั้นเองขึ้นแล้วก็นั่งม้าตะบึงเลยสิทธธาเป็นผู้ขี่ม้าขับเองเลยเพราะท่านเป็นนักรบอยู่แล้วเรียนมาทางจุตหัตถียุทธศาสตร์ในการรบาการพุ่งอยู่แล้วท่านก็ขี่ม้าตะบึงจนสุด แดนของท่านจนถึงเขตแขวงกุงรัตสืข์ะนะจนถึงแม่น้ำอโนมาาทีเป็นแ ม, แม่น้ำสายขคงไม่ใหญ่เท่าไหร่มั้งอโนมาาทีจากนั้นท่านก็นั่งในริมแม่น้ำก็เลยก็ทรงพนวดนะอันนี้คือพุทธประวัติจากนั้นพระองค์ก็ถ่ามาทดลองการปฏิบัติของพระองค์ลองผิดลองถูกทึงหกปีที่ศิษถไปบาเพ็ญทังหปี อดพระกายอาหารบ้างกินแต่น้อยทานฉวยแต่น้อยบ้างไม่สวยเลยบัง่งสวยให้เต็มอิ่มบ้างแต่ท่านก็คิดว่ากิเลสมันอยู่ในกายสรุปแล้วอดพระกาอาหารถึงสี่สิบเก้าวันเกือบไม่รอดคิดว่ากิเลสอยู่ในกายแต่ผลในสุดท่านก็มาบําเพ็ญทางด้าน จ, จิตใจมาดูใจนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก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 กำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมรวมคล้ายๆรอมัอนรวมเข้ามาเป็นหนึ่งบอรวรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเกิดญารษษณรัศนะเนี่แหละคือแบบปฐมปฐมพยยาม เจ้าหน่อยปุเพนิวาสานุสติญาณ น, นี่แหละการตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือหน้าศึกษาพอถึงเที่ยงคืนจุตาาูปปาตญาณพอจวนสว่างอาสาวกายายญาณพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปทำสามอย่างปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปะ ป, ะปะตาตญาณอาสาวกายายะญาณ น, นี่แหละอันนี้พวกเราศึกษาอะไรตัวไหนบรรยายเลยคือต้นเหตุเป็นอย่างนี้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 ทำไมจึงไปอยู่ในสถานที่ห lieutenant? แห่งนั้นเพราะท่านไปอยู่ในสถานที่กลัวๆเนี่ยเขาเราไปอยู่ที่กลัวเราคิดดูก็แล้วกันนะถ้าตุงนั้นแหละที่เรากลัวป่าช้าเนี่ยเรากลัวที่สุดป่าชา้าเราไปอยู่สเออบอกว่าถ้าอยู่ป่าช้าเน่ยเดี๋ยวผีมาบีบคอแล้วนะเดี๋ยวผีมาหลอกเรานะเอให้ต้องภาวนานะ่ะเอเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโจิติอยู่กับตัวเองตลอด่เพราะมันกลัวผีเนี่ยแหละ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 ถ้าใจออกจากร่างนะี่แปลว่าร่างกายนะี่ยก็ทิ้งเหมือนกับคนรถที่มันเสียแล้วคนเดินออกจากรถอย่างนั้นนี่มันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าใจของเราออกจากร่างแนละ้วใจของเราออกจากร่างกายร่างกายก็หมดสภาพนี่แหละกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกานนามธรรมคือใจถ้านั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจนะั่นคืออะไรอนยะ่ากนั้นกับ มาฝึกเรื่องของใจอะไรตันี้ดูใจอะไที่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจริงไหมที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเนี่ยจริงไหมไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองเอตัวเองบอกตอนเองเลยทนี้แล้วก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่พูดไท้ฟัง ทังนี้ทั้งนั้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุและผ ล, ละตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุมทนาให้พรรับพร